5. กับพระวรคติขาบทที่หนึ่ง 179. ภิกษุผู้ไม่เอือ้อเฟื้ออ้าปากรอคำข้าวที่ยังไม่ถึงปากต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่สองภิกษุผู้ไม่เอือ้อเฟื้อขณะกำลังฉันสอดมือทั้งหมดเข้าไปในปาก ต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัติทุกกฏสิขสขกขาบทที่สภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อพูดคุยขณะที่ในปากมีคำข้าวต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่สภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อฉันโยนคำข้าวต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎ สิกขาบทที่หภิกษุผู้ไม่เอือ้อเฟื้อฉันกัดคำข้าวต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่6ภิกษุผู้ไม่เอือ้อเฟื้อฉันพัตตาหารทำกระพุ้งแก้มให้ตุย่ยต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฏสิกขาบทที่7ภิกษุผู้ไม่เอือ้อเฟื้อ ฉันสะบัดมือต้องอาบัดหนึ่งอย่างคืออาบัดทุกกฏสิกขาบทที่8ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อฉันโปรยเมล็ดข้าวต้องอาบัดหนึ่งอย่างคืออาบัดทุกกฎสิกขาบทที่9ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อฉันแลบลิ้นต้องอาบัดหนึ่งอย่างคืออาบัดทุกกฎ สิกขาบทที่ส0ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อฉันทําเสียงดังจับจับต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฏกะพระวกที่ห้าจบ